ขอขอบบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> กับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอ ก, กรอาบคับรับอาจารย์วัฒนาชัยเพื่อนสาธรมิกและขอจะเจริญพรแม่ชีกุบาสุกุบาสิกาทุกท่าน ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศจะค่อนข้างเย็นก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมชา ต, ติของอากาศก็ <c oughs> หลายคนนะก็เท่าที่ทราบก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะก็เป็นธรรมดาที่บางทีเราปรับตัวนะไม่ทันก็อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะก็เป็นธรรมดาก็หลังจากที่เราได้ อ, อ่ไหว้พระสวดมนต์ นะซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะที่พวกเรานะได้มาร่วมกันทำเป็นนะประจำนะทุกเช้าทุกเย็นนะการมาไหว้พระสดม น, นีนะ่ก็เหมือนกับการที่เราได้มาน้อมลํำลึกนะถึงพระพุทธพนะระธรรมพระสงฆนะ์ซึ่งตรงจุดนี้ นะก็ทําให้เราได้ระลึกนึกถึงนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการที่จิตใจเราระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยนะก็ทําให้จิตใจเราผ่องใสนะจิตใจเราชุ่มชื่นนะจิตใจของเราสงบนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เรา ชำระล้างนะความคุ้นคิดนะหรือว่าสิ่งที่มันอาจจะตกค้างนะในชีวิตประจําวันของเรามันเหมือนกับร่างกายนะที่มันมีสิ่งหมักหมมนะที่เราจะต้องชำระล้างร่างกายกันทุกวันนะอย่างน้อยก็หนึ่งครั้ง หรือบางคนก็จะสองครั้งแตนะ่การที่เราได้มาไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นนะก็เหมือนเป็นการชำระล้างาสิ่งที่มันหมักหมมอ ย, อยู่ในจิตใจของเรานะก็คล้ายๆกับเราอาบน้ําเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการอาบน้ําจิตใจหลังจากที่เรา ใบพัสุดหมดแล้วนะเราก็จะสังเกตนะจิตใจของเรานะก็จะสดชื่นนะขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งง่ายๆนะที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความตื่นนะซึ่งก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งนะเราจะคุ้นเคยกับการเจริญสติด้วยการยกไม้ยกมือการเดินชุนกลม การที่มาไหว้พระสดมนตีนนะ่แล้วเราก็มีจิตใจนะตั้งมั่นนะพิจารณาบทนะสดมนต์ไปด้วยนะก็เรียกว่าจิตใจเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับบทสดมนตนะ์ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาโดยที่เป็นเป็นเองนะเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นผลที่เกิดขึ้นนะจากการที่เราได้มีความตั้งใจนะที่จะสาธยายมนแะลนะ้ถ้าเราสังเกตให้ดีบางทีมันก็มีเหมือนกันนะมันแว๊บๆคิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนีนะ้เราก็ดึงกลับมาอยู่ที่บทสดมนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการเจริญสตนะิกับการสดมนะยิ่งถ้าเราได้พิจารณาบท พิเศษนะตะกี้นี้เราก็ได้พิจารณา <c oughs> การใช้สิ่งของนะตั้งแต่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะซึ่งในบทสุดมนนั้นจะเป็นชีวร น, นะซึ่งตรงนั้นก็คือของพระในแง่ของญาติโยมเนี่ยนะก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะเราใช้เสื้อผ้าเนี่ยเพื่อการนุ่งหม่มนะป้องกัน อากาศร้อนอากาศหนาวนะหรือป้องกันนะพวกมแมลงอะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพิจารณาถึงสารัประโยชนนะ์ของสิ่งที่เราใช้นะในปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนึ่งห่มก็ดีเรื่องอาหารก็ดีนะบินตบายก็คืออาหารนั่นเองแต่คำว่าบินทบาตเนะีนะ่ยนะนะ นะถ้าเราตีความกันกว้างๆนะัก็คืออาหารนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะแล้วก็ยารักษาโรคนะจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็อาศัยปัจจัย4เนี่ยเป็นส่วนหล่อเลี้ยงที่สำคัญนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักสาระที่แท้จริงนะของปัจจัย4เนี่ยเราก็จะมีการบริโภค นะปัจจัย4นะในระดับที่พอเหมาะพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่ฟงเฟยจนเกินไปนะอย่างการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็จะเห็นนะเราได้ใช้ปัจจัย4อย่างไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ฟุ่งเฟย เ, เกินไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนนะหรืออุ้มชูให้การ จเจริญสติของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่เรื่องเสื้อผ้าเนะเรื่องยารักษาโรคอะไรนะซึ่งถ้าเราอยู่ในสังคมนะในในโลกนะทั่วไปเนี่ยนะเราจะสังเกตว่าเราต้องเสียเวลานะไปกับเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของอาหารการกิน นะเรื่องของที่อยู่อาศัยนะแล้วก็เรื่องยารักษาโรคเยนนี้มันไม่ใช่มีแค่ปัจจัยสี่มันมีปัจจัยหนะ้าหกเจ็ดแปดซึ่งก็เป็นส่วนเกินนะที่ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะหามา <c oughs> ตอบสนองนะความต้องการหรือความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดนะซึ่งตรงนี้ เมื่อเรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยว่าความต้องการที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยนะในด้านของวัตถุนะปัจจัย4ี่เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะในส่วนของร่างกายนะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของจิตใจนะีการที่เร า, เามีภาระในเรื่องของ ร่างกายเราน้อยลงเนี่ยเราก็มีเวลาหนาะที่จะมาเรียนรู้หนาะจิตใจของเราได้อย่างเต็มที่เราไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเราไม่ต้องไปเสียเวลาหนาะที่จะวิ่งหาสิ่งต่างๆมาปรนเปลิร่างกายของเรานะเราก็ใช้เวลาที่เหลือเนี่ยมาเรียนรู้นะเรื่องจิตใจของเราได้เต็มที่ นะไม่ว่าจะเป็นนักบวชก็ดีไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ดีนะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะ3มวัน5วัน7วันหรือบางคนตั้งใจบวชนะสักหนึ่งบรรษาหรือนสะวัน30วันก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือเราได้ใช้เวลานะที่มันเบาสบายนะกับเรื่องของร่างกาย นะมาเรียนรู้เรื่องจิตใจโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการที่เรามาเรียนรู้เรื่องจิตใจด้วยวิธีการเจริญสติเนี่ยนะยิ่งที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมีคุณค่านะอย่างมากนะแล้วก็เป็นความสุขที่มีความสุขที่ยิ่งกว่านะกว่าวัตถุที่เราเคยได้รับ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแค่เราไหวพระสดมนี่หลังจากไหวพระสดมนเสร็จเนี่ยเราก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะซึ่งก็เป็นความอิ่มอีกแบบหนึ่งนะแต่ก่อนเราอาจจะอิ่มแต่กายแต่ใจเราไม่อิ่มนะเราไหวพระสดมนเราจเจริญสตนะิเราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนะจิตใจเราก็มีความสงบระงับ คำว่าสงบในที่นี้ไม่ได้สงบแบบนิ่งนะแต่เป็นสงบแบบตื่นรู้นะตื่นรู้ในกิริยาอาการต่างๆนะที่เรามีการเคลื่อนไหวนะหรือเมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆในการเจริญสตินะในแนวการเคลื่อนไหวเนี่ยนะจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติมา เราคงจะพอจับประเด็นได้นะโดยสาระสำคัญก็คือว่าเราจะเน้นตรงที่เป็นการปลุกความรู้สึกตัวที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเป็นความรู้สึกตัวที่เดิมเป็นสติสามัญที่เราใช้ในการทำการทำงานนี่แหละ แต่เมื่อเรามาเจริญสตนะิทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องนะด้วยการขึ้นไหวนะจะเป็นการเดินชงกลมก็ดีเป็นการสร้างจังหวะ ก, ก็ดนะีตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่ให้มันมีความฉับไวขึ้นมาเราปลุกขึ้นมาเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะได้มา ดูกายดูใจของเรากายใจของเราเนี่ยนะมันเป็นดุลเป็นก้อนนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเราไม่รู้นะเราไม่ได้มาดูไม่เคยได้มาสนใจนะเราก็ไปทึกทักหรือไปยึดเอานะว่าเป็นตัวเรานะเป็นของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นความหลงอย่างหนึ่ง นะแล้วเราก็อยากจะให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็เป็นการหลงหนะลงไปในสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงนะตรงนี้นะ่ก็เป็นจุดที่ทำให้เรามีความทุกข์นะเพราะเราไปยึดถือนั่นเองเมื่อเรามาเจริญสตนะิมาทำความรู้สึกตัวโดวยเฉพาะเริ่มต้นเนี่ย สำหรับคนเริ่มต้นใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีเนนะเราก็มักจะเริ่มจากการที่เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะเพราะว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวการสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะตรงนี้เราต้องเจตนาที่จะรู้สึกตัว ถ้าเราไม่เจตนาเรายกไปเรื่อยๆยกไปแบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะเพลินมันจะเผลอแล้วมันจะไม่รู้ตัวยกทั้งวันยกฟรีไปเลยบางทียกไปก็ยังคิดไปมันไม่ทันความคิดแนะเพราะความคิดเนี่ยมันเร็วมากการที่เราจะให้รู้เท่าทันความคิดนี้ก็คือกลับมารู้สึกตัวหน้าที่กายเคลื่อนไหวนะ แรกๆเนี่ยคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะส่วนใหญ่นะตั้งใจอยากจะให้มันรู้ตลอดแต่ก่อ น, อนจะมานึกว่าผมก็เป็นเช่นนั้นนะอยากให้มันรู้ตลอดเวลานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีมันก็เพ่งเกินไปแตนะ่มันก็เกิดอึดอัดขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะมันก็เป็นธรรมดานะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงก็ตั้งใจอยากให้มันเป็นอยากให้มันได้นะแล้วก็ไม่อยากให้มันเผลอเผลอทีไรเนี่ยด่าตัวเองทุกทีเผลอไปได้อย่างไงนะนที่ไปโทษตัวเองสตินั้นเป็นธรรมชาตินะเราจะไปไปให้มันเป็นอย่างใจเราไม่ได้ คนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีรู้บ้างเผลอบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเทียบได้ง่ายๆว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยเราเผลอมากกว่ารู้แต่เรามาเริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้มากกว่าเผลอถ้าเผลอแล้วแล้วไปชั่งมันไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่ต้องไปเคียมตัวเองไม่ต้องไป ตำหนิตัวเองว่าทำไมเราเผยไปอีกแล้วนะตรงนั้นน่ะมันเผอแล้วแล้วไปกลับมารู้สึกตัวใหม่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นความรู้สึกสดสดนะจันโกวิชใช้คํำคำนี้ความรู้สึกสดๆคือเป็นความรู้สึกในแต่ละขณะเผอแล้วแล้วไปกลับมารู้ใหม่นะรู้บ่อยๆ จากรู้กายเนี่ยบ่อยๆนาจากกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปเห็นความปวดความเมื่อยะจริงๆความปวดความเมื่อยเนี่ยนะมันก็แสดงตัวของมันของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งนานๆนะมันก็จะปวดจะเมื่อยทีนี้พอมันปวดมันเมื่อยเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจ ปวดมากๆก็ทนไม่ไหวโอ้มีเคไม่ไม่พอใจล้นะอันเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราไม่รู้เท่าทันใจของเราก็เลยไปผูกกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกลายเป็นว่าเราปวดเราเมื่อยมันมีคําว่าเราก็าไปเกี่ยวข้องเราทนไม่ได้นะตรงนี้ทีนี้ถ้าเราฝึก บ่อยๆเราเจนเลยว่าอาการปวดอาการเมื่อยมันก็เป็นอาการของกายแต่ใจของเราเนี่ยรับรู้และเป็นปกติได้ลนะถ้าเราฝึกบ่อยๆเราเจนตรงนี้นะกายกับใจเนี่ยมันจะแยกกันได้ลนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวมันมันชัดแล้วการแยกเนี่ยเราไม่ได้ไปแยกนะความรู้สึกตัวซึ่งเป็นสติสัมปชัญญะเนี่ย หรืเป็นปัญญาเนี่ยมันจะบอกเองว่าอา้าวไอ้นั่นมันร่างกายนี่มันเป็นความปวดความเมื่อยของกายใจเราไม่ต้องไปปวดไปเมื่อยไม่ต้องไปไม่พอใจกับมันก็ได้ใจเราเฉยเฉยเป็นปกติก็ได้นะซึ่งตรงเนีนะ้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นนะบางทีเราอาจจะนั่ง นะต่อไปดูซิอาการปวดอาการเมื่อยมันที่สุดมันจะถึงตรงไหนแตนะ่บางทีเนี่ยร่างกายมันก็ปรับตัวของมันเองมันก็หายปวดหายเมื่อยได้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่เราเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปเปลี่ยนเพราะว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยมันมาบังคับเราไม่ต้องเปลี่ยนทันทีแตนะ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพลาดโอกาส นะที่จะเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะที่เขาแสดงตัวออกมานอกจากนั้นเนี่ยนะความร้อนความเย็นนะอากาศร้อนอากาศเย็นที่เข้ามาสัมผัสกับ ก, บกายของเรานะบางทีเราก็ชอบบางทีเราก็ไม่ชอบนะตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับใจอีกเหมือนกันถ้าสติหรือความรู้สึกตัวเราไม่ชัดเนี่ย เราเราก็จะเกิดการพอใจไม่พอใจนะกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้นะหรือบางทีนะเราทานข้าวทานอาหารนะอาหารที่ถูกปากอร่อยพอใจนะเจออาหารที่ไม่ถูกปากโอ้ไม่อร่อยไม่พอใจขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเรียนรู้ได้ นะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะที่จะให้เราเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มไหนด้วยหนังสือเล่ม น, นี้ก็คือกายใจเนี่ยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาดูเข้าไปสังเกตเข้าไปนะเราก็จะเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้นะความจริงที่มัน เป็นธรรมชาตินะที่มันจะแสดงอาการของมันออกมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายนะเรื่องของใจก็ตามนะในส่วนกายเราเห็นได้ชัดแตนะ่ในส่วนของใจก็คือความคิดความนึกความคิดปรุงแต่งต่างเนี่ยมันเร็วมากและมันก็ไม่มีตัวตนด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนั่นะเป็นตัวที่จะดู เป็นตัวที่จะสังเกตนะโดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดที่มันมาอย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินนะเราเคยชินที่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องประทับใจฝังใจอยู่ในใจเราไอ้เรื่องนั้นน่มันจะมาบ่อย หรือมีบางเรื่องที่มันฝังใจอยู่มันจะโผล่มานะตอนที่เรามาเจริญสติเนี่ยสิ่งต่างต่างน่นมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจหลายคนนะมาฝึกปฏิบัติมาเจริญสติก็ดีฝึกสมาธิก็ดีหวังอยากจะให้มันสงบไม่อยากให้มีความคิดอะไรเลย อันนั้นเป็นความหวังเป็นความตั้งใจเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องนะฮะคืออยากจะให้มันสงบอะแต่ความจริงเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆอะที่เราฝังใจไว้มันผุดโผล่ขึ้นมามันแสดงให้เราดูหรือบางทีก็เป็นเรื่องที่เราเกังวลในอนาคตนะความคิดเหล่านี้เนี่ย มันมาแสดงตัวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตามมันมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเมื่อเกิดความคิดฟุ้งซ่านอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ่าไปตามความคิดกลับมารู้สึกตัวนี่คือจุดสำคัญแต่ก่อนเมื่อเราไม่ได้มาฝึกนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็จะตามความคิดไปตามไปเรื่อยาดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง นะภาษาคนโบราณก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์ตกนรกนะอันนี้คือคือคือสิ่งที่เป็นสภาพนะที่มันมีอยู่เพราฉะนั้นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันไม่เป็นอุปสรรคหรอกมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยมันเป็นบทเรียนที่จะให้เราได้เรียนรู้เป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาและให้เรารู้เท่าทัน ถ้าเราไม่ตามเขากลับมารู้สึกตัวตรงนี้ไม่ต้องไปลงโทษตัวเองไม่ต้องไปเครียดตัวเองนะว่าทําไมเราคิดมากอยู่ที่บ้านเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยอยู่ที่ทํางานไม่เคยคิดอย่างนี้เลยที่มันไม่ไม่คิดจริงๆมันคิดนะเพียงแต่เราไม่ได้ดูเพราะว่าเราเมื่อทำการทํางานเราเมื่แต่ไปสนใจเรื่องข้างนอกแต่ความคิดที่มันมีอยู่ข้างในเราเนี่ย <c oughs> มันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอ่ะนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโต <c oughs> มีเวลากับการดูอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเห็นชัดแล้วมันจะมีมากด้วยนะตรงนี้ยิ่งเราเห็นมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วเรากลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยสติมันก็จะคมชัดขึ้นมันจะเร็วขึ้นมันจะเห็นอะไรได้เร็วขึ้น เพราะนั้นตรงนี้เป็นพัฒนาการนาที่เกิดขึ้นเพราะนั้นบางคนอาจจะบอกโอ้ฟุ้งซ่านนี่แย่แล้วเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วจริงๆนนะถูกต้องแล้วและมันกําลังพัฒนาการมันกาลังเรียนรู้นะเราเริ่มที่จะเห็นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราและเราก็การที่เรากลับมารู้สึกตัวนี่ก็เป็นการปล่อยการวางโดยอัตโนมัติ นะที่ก็บอกให้ปล่อยให้วางอะไรเนี่ยมันพูดได้นะมันคิดเนี่ยมันคิดปล่อยวางเนี่ยมันคิดได้นะแต่มันปล่อยวางไม่ได้การปล่อยวางนั่นคือคือกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นฐาษษนสําคัญเป็นฐาษษนสําคัญที่จะให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้เป็นเป็นหลัก น่าลืมบางทีหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าเป็นป้อมปาการมาที่เราจ ะ, ะป้องกันจิตใจของเราไม่หลงเระเลยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆในช่วงของการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะมีความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทิ้งให้หมดเลยนะจะคิดดีคิดไม่ดีก็ทิ้งให้หมดเลยหรือแม้แต่โครงการทั้งหลายแผนการทั้งหลายในอนาคตเนี่ยว่าจะทําอะไรก็ทิ้งให้หมดเลย ไม่ต้องไปตามมันเลยบางทีเนี่ยนะเราเดินจงกรมเราสร้างใจงว่าโอ้โหมัน ม, มีความคิดดีๆเยอะเลยจะไปทำอันนั้นทําอันนี้โอ้โหมันเยี่ยมเลยแล้วนะซึ่งตัวตรรมาก็เป็นเหมือนกันนะตรง น, นี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไปตามมันเนี่ยก็คือเราลืมตัวไปแล้วเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราเผลอไปแล้วเผลอไปกับความคิดแล้วนะความคิดเนี่ยเขาจะ มันจะเจอตั้งแต่ความคิดที่มันมันมันไม่เคยเข้าท่าเป็นความคิดในเรื่องไม่เคดีก็ไม่ดีมาก่อนนะพอไอ้ความคิดไม่ดีไม่ดีไปนะพอเราเห็นถนัดเราเห็นมันชัดเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมาความคิดดีดีแล้ความคิดจะทําประโยชน์ความคิดจะทําบุญความคิดจะช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ไอ้นั่นนะ่นะนะก็เป็นความคิดเหมือนกันงานะนี้ก็ต้องกลัดมารู้เนื้อรู้ตัว กับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยอย่าไปตามมันนะตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดการปล่อยการวางนะสิ่งที่เป็นความคิดที่มีอยู่เนี่ยนะมันก็จะเกิดการปล่อยวางไปนะมันก็จะเกิดสภาพที่เรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติมันคืนสู่ความเป็นปกตินะคนบางคนเนี่ยเคยหนักอกหนักใจมาเคยหนักหัวมาเนี่ย <c oughs> พอมาเจริญสติแล้วเนี่ยมันปล่อยมันวางเนี่ยหัวมันโล่งเลยใจมันเบาเลยนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แต่ก็แน่นอนนะต้องระวังด้วยว่าไอภาวะที่มันโล่งโล่งเบาๆบาเนี่ก็ต้องระวังด้วยอย่าไปติดมันนะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆการกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยใจมันก็จะเป็นปกตินะใจเฉยๆแต่เฉยแบบรู้นะ ไม่เฉยแบบซื้อบอื้อไม่เฉยแบบเยนชาไม่ใช่บบหรนะืไม่ได้เฉยแบบจมไปในอารมณ์มาที่นิ่งๆ น, นะแล้วจริงๆเนี่ย <c oughs> การที่เราเห็นความคิดก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีความเป็นปกติก็ดีเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลามันไม่อยู่นิ่ง เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะอยู่เรื่อยๆทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ในทุกเวลาใ น, ในทุกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ให้จำไว้ง่ายๆเลยผ่านอย่างเดียวไม่ต้องไปติดไปจมอยู่การผ่านนั่นก็คือกลับมารู้สึกตัวเนี่ย จะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายพอใจไม่พอใจนะตรงนี้ให้เราผ่านนะ่าจะไปติดไปจมส่วนใหญ่ที่จะติดกันก็คือติดตรงที่เรารู้สึกสบายรู้สึกปิติรู้สึกส ง, งบนะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดกันแล้วก็อยากจะให้มันมีบางทีเราเดินจรกลมไปสร้างจังหวะไปรู้สึกโอ้สบายโล่ง วันนี้นะเชา้าวันนี้สบายโล่งเลยแต่เดี๋ยวกลางวันมันไม่โล่งแล้วมันไม่สงบแล้วมันเป็นอีกอย่างหนึง่งไปแล้วก็เลยเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยทําไมเมื่อเช้าก็สบายดีทําไมกลางวันไม่สบายเลยอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกอารมณ์เนี่ยนะมาให้เราเรียนรู้เป็นตําลาเล่มใหญ่เป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ขณะที่ เราสามารถจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปอ่านพัฒิบิ๊กเลยนะไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยนะดูที่กายดูที่ใจของเรานี่แหละนะเพียงแต่เราพัฒนาเครื่องมือก็คือความรู้สึกตัวนะตรงนี้เราทำบ่อยๆแต่แน่นอนนะบางคนทำไปทาไปเบื่อมัอนกันนะมายกมือซ้ำซ้ซากๆาเดินชมกลมซ้ําๆซากๆา เบื่อเหมือนกันนัตมาก็เคยเป็นก็เป็นธรรมดานะ <c oughs> ตรงนี้เนะี่ยให้เราใช้ความอดทนถ้าความรู้สึกตัวเราจะยังไม่ชัดก็อดทนไปนิดนึงเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทําง่วงก็ทําไม่ง่วงก็ทําคือไม่ยอมจำนนน่ะเรียกว่ามไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่มันจะมาชวนให้เราเลิกทำจากความเบื่อความง่วง ความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลพวกนี้นนะมันชวนให้เราหยุดนะชวนให้เราไม่อยากทำละนะอย่างเมื่อเช้าก็นักศึกษารัชพัฒน์นสะังเกต เ, เดินนานๆแล้วเบื่อก็มาเดินเดินรอบเลยรอบลานหินโคง้งอาตมาก็ดูอยู่ะให้โอกาสเขาปล่อยอารมณ์สักรอบสองรอบโอโ้นี้เดิน ห้ารอบแล้วหกรอบแล้วพอแล้วล่ะนะกลับไปนั่งที่เดิมเดะเพราะว่าถ้าเดินรอบแบบนั้นเนี่ยมันเพลินไปแล้วมันเพลินแล้วมันจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะเผลอแล้วแล้วก็กลับไปที่ฐานเดิมนะตรงนี้เนี่ยเราก็เจําเป็นนะที่จะต้องประชิญกับอารมณ์เหล่านี้แล้วก็ใช้ความอดทนใช้ ความอดทนที่จะเรียนรู้มันเพราะความเบื่อเดี๋ยวสักพักมันก็หายความเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปตรง น, นี้เนี่ยก็จะนั้น <c oughs> การจเจริญสติเนี่ยเราจะเรียนรู้ในทุกอารมณ์ผ่านในทุกอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้จะเป็นเป็นเกาะคุ้มกั น, นเป็นเครื่องป้องกัน หรือเป็นอาจจะเลือกได้ว่าเป็นเข็มทิศก็ได้ในการที่จะพาเราเดินไปเป็นสิ่งที่จะนําทางเราไปในที่จะผ่านอารมณ์ทุกๆอารมณ์แล้วมันก็จะถ้าเราผ่านอารมณ์ได้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะสัมผัสกับสภาพที่ใจิตใจมันเป็นปกติได้บ่อยๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีมีหลักมีที่พึ่ง นะของตัวเราเองนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนะแล้วก็เป็นที่พึ่งที่เป็นเป็นความสุขนะที่มีอยู่แล้วในตัวของเรานะเรียกว่าสันติสุขก็ไดนะ้เรียกว่าสุขกเกษมสารก็ไดนะ้ซึ่งคนที่ฝึกแล้วคงจะได้สัมผัสบ้างนะตรงนี้นะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทําให้บ่อยๆ แตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้แล้วว่าอ๋อจุดที่เราทำนี่เป้าหมายของเรานี้เราจะเดินไปตรงนี้นแต่บางทีเนื่องจากการทําของเราอาจจะยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงทั้งหมดทีเดียวมันก็อาจจะเห็นว่าเป็นแหว ม, มเห็นเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็เดี๋ยวมันก็กลับมาทุกอีกกลับมาสุกอี ก, กลับมาพอใจไม่พอใจ นะซน่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆดูบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะจนเกิดความชำนาญในการที่จะดูในการที่จะรู้ในการที่จะเห็นไม่เห็นแล้วมันก็ไม่เข้าไปเป็นนะตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ที่เราได้ฝึกเจริญสติกันเพราะนั้นก็อยากจะ เอ่อให้กำลังใจนะกับคนที่ตั้งใจนะบางทีมันก็ เ, เดินไปแล้วมันเบื่อบ้างมันฟุ้งซ่านบางไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องผ่านนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้อย่าถือว่าเป็นอุปสรรคชอบคำหนึ่งที่หลวงพ่อคาเขียนนั่นชอบใช้ก็คือกิเลสเนี่ยมันเป็นปุ๋ย เป็นปุ๋ยให้เกิดปัญญาเป็นปุ๋ยให้เกิดความเป็นพุท ธ, ธะนะคือความรู้ตื่นเบิกบานดันะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนะี่ยให้เรียนรู้นะที่จะฉลาดนะฉลาดที่จะไม่จมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นฉลาดที่จะออกมานะด้วยความรู้สึกตัวนะดังนั้นตรงนี้นะี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรา มีพัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้านะในการที่เร า, เามาปฏิบัติธรรมนะพนั้นก็สรุปในส่วนสุดท้ายนี้นะว่าในการเจริญสติเนี่ยนะเราเริ่มต้นที่รู้สึกตัวที่กายเคขึ้นไหวนะเมือ่อรู้สึกตัวที่กายื่อนไหวบ่อยๆนะมันก็จะเป็นจิตใจที่นึกคิดนะเมื่อเห็นจิตใจที่นึกคิดเนะี่ย มันก็จะเห็นความคิดรูปแบบต่างๆมากมายนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยปัญญานะที่เกิดจากการดูบ่อยๆนี่แหละนาก็จะเกิดจากความชำนาญแล้วก็จะเห็นเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลของความคิดที่จะไม่เข้าไปจมนะหลืเข้าไปในกับดักของความคิดนะตรงนี้เนะี่ยจิตใจของเราก็จะเป็นอิสระนะเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ เป็นอิสระจากความยึดถือนะในสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถือนะตรงนี้ก็จะเกิดสันติสุขนะเกิดสันติภาพขึ้นภายในจิตใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการดำารงชีวิตต่อไปนะแล้วก็เอาไปใช้ทำประโยชน์นะกับคนรอบข้างกับหน้าที่การงานกับสังคมแล้วกับโลกต่อไป นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นำเสนอในเย็นวันนีนะ้ก็ถือว่าการเจริญสินี่ก็เป็นการชำระใจนะที่บางทีมันมีเรื่องคุ้นคิดอยู่ในใจิตใจฝังอยู่มากมายชำระล้างมันด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ทุกเวลานะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน นะก็ให้เราหมั่นทำเป็นประจำทุกวันนะอันในท้ายที่สุดนี้นะก็กออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญานะที่มีอยู่แล้วในตัวเรานะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจรงิง นะทั้งที่เป็นสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจก็ตามนะเรียนรู้เข้าไปดูเข้าไ ป, าไปนะแล้วก็ประสงค์ก็คื อ, อตัวการปฏิบัตนะิสิ่งที่เราได้กระทำนะก็คือการเจริญสตินั่นเองนะด้วยความเพียรพยายามของทุกท่านนะจงเป็นพระวาปัจจัยให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตใจนะ ในเรววันนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร